เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อพ่อบุคคลที่เคยเอ่ยปากบอกว่าผีมีที่ไหนคิดไปเองกันทั้งนั้นแต่จู่ๆกลับมานั่งเล่าเรื่องสยองก่อนนอนให้เราฟังพ่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีรถเทลเลอร์ รับจ้างขนส่งสินค้าทั่วประเทศโดยที่พ่อจะเป็นคนขับรถเทนเลอร์เองเพราะอาชีพนี้แหละพ่อจึงเจอประสบการณ์ขนหัวลูกต่างๆมากมายโดยเรื่องที่พ่อเล่าให้ฟังเมื่อนานมาแล้วพ่อต้องไปส่งสินค้าที่โรงงานข้างภูเขาทองวัดสเกตซึ่งไปกันสองคนกับพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ออกเดินทางมุ่งตรงไปยังจุดหมายปลายทางกว่าจะถึงที่หมายก็มืดค่ำซะแล้วเมื่อถึงทางเข้าพ่อเห็นยามโบกรถอยู่ข้างทางเข้าตามทางที่ยามโบกให้ผ่านเข้าเข้าไปจอดข้างในหรือยามคนนั้นก็ตะโกนบอกพ่อว่าเข้าไปข้างใ น, ในเลยนะพ่อก็ไม่ได้เอะใจอะไรกับคําพูดของยามที่ตะโกนบอกมาอย่างนั้น พ่อเลี้ยวรถเข้าไปตามทางที่ยามบอกให้ผ่านเมื่อผ่านทางเลี้ยวเข้ามาพ่อบอกว่ามันมืดมากๆ ม, มองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเห็นก็เห็นได้แค่นิดเดียวก็คือจอดรถเลยเพราะข้างหน้ามีเหมือนกำแพงไม่สูงมากกั้นอยู่พ่อเลยจอดรถนอนเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าพ่อนอนไปได้สักพักใหญ่แต่ยังไม่หลับสนิท พอรู้สึกตัวพอได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินวนอยู่รอบรถแต่มันดึกมากแล้วคงคิดว่าเป็นยามที่บบกรถเมื่อตอนเข้ามาแต่เสียงเจ้ากรรมยังเดินวนไม่หยุดเดินวนอยู่รอบรถอยู่อย่างนั้นสักพักเสียงก็หยุดไปพอคิดว่าไม่มีอะไรเลยนอนต่อ ต้องหัวรถที่พ่อนอนขย่าแบบโยกเยกจนรู้สึกได้เลยว่ารถโค้งเพลงจะว่าคนแกล้งก็ไม่ใช่รถมันใหญ่และหนักมากพ่อบอกว่าขย่าแรงมากจนพ่อตกใจลุกขึ้นนั่งดูรถที่ขย่าก็หยุดลงพอมองไปรอบๆ ร, รถมองหาว่าใครมาแกลง้งหรือมาทำอะไรให้ตกใจกลัวหรือเปล่าและพอก็ได้ยินเสียงวีด ดังใกล้ๆพ่อเลยมองตามเสียงไปทางด้านหน้ารถสายตาจับจ้องไปที่กำแพงแล้วพ่อก็ถึงกับผ ง, งะกับสิ่งที่มองเห็นพ่อบอกว่าสิ่งที่พ่อเห็นนั้นพ่อยืนยันได้แน่นอนว่ามันคือผีหรือวิญญาณที่พ่อบอกว่าไม่เคยมีจริงนาทีนั้นพ่อเห็นร่างขาวๆนั่งอยู่บนกำแพง ทำท่าชะโงกหน้าเข้ามาทางด้านหน้ารถเสียงร้องหวีดไม่เป็นภาษาน่ากลัวมากๆนั่งจ้องพ่ออยู่อย่างนั้นและโยกตัวไปพอพ่อตกใจล้มตัวลงนอนก็ยังได้ยินเสียงเดินวนรอบรถและเขย่าหัวรถพร้อมเสียงร้องหวีดมาเป็นระยะ ะ, ยะพ่อนอนทนฟังจนกระทั่งฟ้าสาง รถที่เขยาก็หยุดลงเสียงเดินหายไปพร้อมกับแสงหวีดเมื่อฟ้าสว่างพอลุกขึ้นมามองไปรอบๆ ร, รถสายตาพลันไปเห็นกำแพงตรงด้านหน้าของรถกำแพงเป็นกำแพงวัดที่บรรจุกระดูกคนตายพอรีบถอยรถออกแล้วขับมุ่งเข้าไปยังที่ลงสินค้าอย่างรวดเร็วพอบอกว่าน่าจะเชื่อคำยาม ให้เข้ามาจอดอยู่ข้างในไม่รู้ว่ากล้าไปจอดได้ยังไงตรงกำแพงบรรจุกระดูกคนตายทั้งเปลี่ยวทั้งวังเวงขนาดยามเองยังต้องอยู่ข้างทางไม่กล้าเข้ามาข้างในเลยพอบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เห็นผีแบบจ่าจ่ายอย่างนี้และเรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้ครับ